เราอนุญาตให้ใช้ไม้แคะขี้หูสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีใช้ไม้แคะขี้หูชนิดต่างๆคือทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลนทนาว่าเหมือนครหัขัดผู้บริโภคกรรม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 ทำด้วยงาทำด้วยเขาสัตว์ทำด้วยไม้ อ, อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ธรรมดาทำด้วยเครื่องทำด้วยเมล็ดผลไม้ทำด้วยโลหะทำด้วยกระดองสัง